บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเรื่องการโต้แย้งของนางคาลลาบินตีซาลาบะซึ่งสามีของนางได้ยาจากนางตามประเพณีของชาวยาฮิลียในการต้องการห้ามพัญญาด้วยการยาโดยเรียกนางว่าเป็นแม่นางได้มาหาทรุสุลลาะสลาลาะเวสลัมร้องเรียนความอาธรรมของสามีของนางที่มีต่อนางโดยกล่าวว่าโอทัรุสูล เขาได้กินทรัพย์สมบัติของดิฉันได้ทําให้ความสาวของดิฉันร่วงโรยลงแล้วเขาก็หย่าดิฉันโดยเรียกดิฉันว่าเธอเสมือนกับแม่ของฉันท่ารซูนได้กล่าวกับนางว่าฉันไม่เห็นเธอเป็นอื่นใด น, นอกจากเธอได้ถูกห้ามจากเขานางได้โต้แย้งแก่ท่านรอศูนย์สัลล ล, ลว่าอะไรว่าสลับโดยกล่าวว่าโอ้ท่ารศูลเขาไม่ได้หย่ากับดิฉันแต่เขากล่าวกับดิฉันว่า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 บทนี้ได้กล่าวถึงการบัญญัติการไถ่บาปของการยาแบบสมัยยาฮิลียาเรื่องการซุบซิบซึ่งเป็นการพูดคุยกันลับๆระหว่างสองคนหรือมากกว่านั้นกล่าวถึงพวกยาฮูดที่ถูกสาปแช่งซึ่งพวกเขาได้เข้ามาร่วมในที่ประชุมของท่านรอซูลลลอฮฺอะลัลวลยวะสัลลัมโดยกล่าวคำทักทายด้วยคำทักทายที่เป็นปริศนาโดยผิวเผินและเป็นคาอวยพรและความสันติสุข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 และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของศาสนาดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อใหการศรัทธามีความสมบูรณ์ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ ด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตาเสมอโดยแน่นอนอัลลอฮทรงได้ยินถ้อยคำของสตรีที่กำลังโต้แย้งกับเจ้าในเรื่องของสามีของนาง และนางได้ร้องทุกต่ออัลลอฮ์แล้วลอนนั้นทรงได้ยินการตอบโต้ของพวกเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น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 ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาทาสได้ก็ต้องถือสิโนตสองเดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องร่วมหลับนอนกันสําหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือสิโนดได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจํานวนหกสิบคนทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของรผงนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์และสําหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้น จะได้รับการลงโทษ อ, อย่างเจ็บปวด บรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของโพรงพวกเขาจะถูกทำให้อัปยศตเช่นเดียวกับบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทำให้อัปยศตมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประธานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะรับการลงโทษอย่างน่าอัศว์ วันที่อลัลลอฮจะส่งให้พวกเขาทั้งหมดฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วโปรงจะส่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้อลัลลอฮส่งคำนวณไว้อย่างครบถ้วนแต่พวกเขาลืมมันและอลัลลอฮนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لن يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول. Uh um ah เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่ถูกห้ามจากการซุบซิบกันแล้วพวกเขาก็กลับไปกระทำในสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเอาไว้และพวกเขาซุบซิบนินทา ก, กันในการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนทารูลและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาจะกล่าวทักทายไม่เหมือนที่อัลลอ์ทรงกล่าวทักทายด้วยคำพูดนั้น และพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทำไมอลัลลอด์จึงไม่ทรงลงโทษ ต, ตามที่เราได้กล่าวทักทายมูฮัมมัดนรกนั้นเป็นการพอเพียงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกให้เข้าไปในนั้นซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิง่งยนูวร ววบาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าซุบซิบต่อกันก็อย่าได้ซุบซิบต่อกันด้วยการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่านหอดสูนแต่จงซุบซิบกันเพื่อทำความดีและการยำเกรงพวกเจ้าจงยำเกรง อ, อัลลอฮ ผู้ซึ่งพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพรุ่งอินมันนจวนยยะฮซุนลลดีนอามนวะลสบิริมชัยอันอิลลาบิอิลลาฮท่างการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยตอนเพื่อมันจะก่อความเสียใจ ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่มันจะไม่ให้ร้ายแต่อย่างใดแก่พวกเขาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอ์เท่านั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมอบความไว้วางใจยาอเยฮ์ฮะลล์บินอัมมนูอิดากลิละคุมเตฟส์ะฮูฟิลมาจาลิสฟัฟสะฮูฟัฟสะฮูฟัฟสะฮิลลาฮูละคุม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 ในวันเกียร์มาและเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ประชุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกยืนเพราะอัลลอฮจะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายขั้นและอัลลอทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 นั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเจ้าและเป็นการทำกิจใจให้ผ่องใสหากพวกเจ้าไม่สามารถหามาบริจาคได้แท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ أ أ ب ب พวกเจ้ากลัวการบริจาค ก, ก่อนการปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้าการะนั้นหรือหากพวกเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นอลลอฮก็ทรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละห ม, มาดและบริาจาคจักาะและจงพักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของผงและวัลลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 อินนะฮุมซาอามะกานูยะอ์มะลูนอัลลอฮซอมเตรียมการลงโทษอันสาหัสไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทําไปนั้นช่างชั่วช้าจริงๆอิตตะคดูอัยมานะฮุมจุนนะสัดดุอันซบีลิลลาฮ์ฟะละฮุมอะดาบุมมุฮีน พวกเขาได้ยึดถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลกป้องกันแล้วพวกเขาก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอ์ดังนั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างน่าอสูวละวูุนีอันหุมอ م าลหุมวลาอาลาดหุมมินอัลลอฮิเชียออลลากอัหฮะบุนนาริหุมฟีฮาขาริดู ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยให้เขารอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอ์ไปได้แต่อย่างใดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล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 อิ علي ้ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله و ل ئ ك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ชตอนมารร้ายได้เข้าครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของชัยตอนพึ่งทราบเถิดว่า แท้จริงพลพรรคของชยตอนนั้นเป็นผู้ขาดทุนอท้จริงบรนดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์ะรอดซูลของปรุงชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อยแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลอลอฮ์ละรอดซูลของพรงชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อย อลัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าแน่นอนข้าและรอซูลของข้าจะมีชัยชนะเหนือกว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพลลลลาจดดววมมมั اد, ันนนบบบอออะคเ أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ah um เจ้าจะไม่พบกลุ่มชนใดจะศรัทธาต่ออัลลอ์และวันประโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอศูนของพรลงถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือเครือญาติของพวกเขาก็ตาม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 แท้จริงพลพรรคขอรอนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ